ถ้าให้ระบบเงื่อนไขหนุนกดธรรมชาติได้ก็จะมีผลดีจริงตัณหานั้นมีพวกที่มักพ่วงมาด้วยกันสามอย่างรวมเป็นชุดเรียกว่าปปัญจะธรรมคือธรรมะที่ทำให้ยืดายาเยันเยอะยุ่งยากขอแปล ง, ง่ายๆว่ากิเลตัวปันไม่ต้องอธิบายความหมายพูดถึงแต่ไตยะ ที่จะให้จำง่ายๆได้แก่หนึ่งตัณหาอยากได้ 2. มานะอยากใหญ่ 3. ทิฏฐิหรือทิฏฐิใจแคบยึดติดเอาแต่ความคิดเห็นของตัวกิเลสตัวปั่นสามข้อนี้มุ่งเพื่อตัวรวมศูนย์ไว้ที่ตัวทั้งนั้นพูดง่ายๆว่า เป็นชุดความเห็นแก่ตัวเป็นตัวก่อปัญหาในระบบเงื่อนไขถ้าเมื่อไรมันมาเป็นแรงขับเคลื่อนระบบเงื่อนไขแล้วล้วก็จะปั่นป่วนวุ่นวายกันไปหมดไม่ใช่แค่ว่าทำงานเล่าเรียนศึกษาจะเป็นทุกเท่านั้นปัญหาสารพัดในโลกนี้ก็จะเกิดมีให้เดือดร้อนไปทั่วกันรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาและด้วยความรู้นั้นก็แก้ปัญหาได้ นี่ก็ง่ายๆคือว่าถ้ามนุษย์ฉลาดก็พยายามโยงกฎสมมติของมนุษย์ให้เป็นหนุนกฎธรรมชาติให้ได้มนุษย์ที่ฉลาดตั้งกฎสมมติขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อมนุนุนให้กระบวนการของกฎธรรมชาติดำเนินไปในทางที่จะให้เกิดผลสมตามที่มนุษย์มุ่งหมายเราอยากให้ต้นไม้เติบโตงอกงามต้นไม้จะงามได้ถ้ามีการดูแล เช่นตัดแต่งให้ปุ๋ยรดน้ําเราก็จึงใช้วิธีแบ่งงานจัดให้มีคนมาทําสวนโดยให้เขาทําเป็นหน้าที่แบบทําจริงทําจังยังไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเลยในเรื่องความเป็นอยู่ก็มีเงินเดือนเลี้ยงชีพยังเพียงพอบอกเขาว่าคุณไม่ต้องเดือดร้อนหรือห่วงอะไรแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานทําสวนเนี่ยให้เต็มที่ไปเลยนะ นี่คือเอาระบบเงื่อนไขของกฎมนุษย์มาเชื่อมต่อให้แล้วก็เปิดโอกาสและหนูนให้คนนั้นทำเหตุปัใจจัยให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ทีนี้ถ้าคุณคนทําสวนนั้นมีชันทะแกอยากเห็นต้นไม้ดีเห็นต้นไม้งามสมบูรณ์แล้วก็อยากทําให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพอไม่ต้องห่วงใยในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรแล้วแกก็ทางานเต็มที่สบายไปเลย ก็ได้ทำให้ต้นไม้งอกงามสมใจได้ทั้งความสุขได้ทั้งเงินทองเครื่องอยางชีพไปด้วยงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขถ้าอย่างนี้ระบบเงื่อนไขของกฎมนุษย์ก็มาเชื่อมประสานหนุนการทำงานในระบบเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติให้ดำเนินไปด้วยดีอย่างได้ผลสมดังที่มนุษย์ปรารถนาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า นายคนทําสวนนั้นไม่มีฉันท้าที่เป็นเหตุปัจจัยตัวเริ่มต้นในกระบวนการของกฎธรรมชาติละ่ะก็จบกันนี่ก็เข้าในทางตรงข้ามถ้าคนทําสวนนั้นมีแต่ตัณหาต้องการแต่ผลในระบบเงื่อนไขราวนี้ละ่ะตัวเขาเองก็ทํางานด้วยความทุกข์เพราะมีแต่จําใจฝืนใจและเมื่อเขาจาใจทางาน การทำสวนก็ไม่ได้ผลดีถ้าเป็นอย่างนี้กันมากหรือทั่วไประบบงานทั้งหลายของโลกมนุษย์ก็รวนก็แปรรวนเสียไปพูดง่ายๆว่างานก็ไม่ได้ผลคนก็เป็นทุกข์ไม่ใช่แค่นั้นพอคนทำงานไม่มีสันทะาแต่มากด้วยตัณหาเขาไม่ตั้งใจทำงานเลี่ยงงานหลบงาน ไม่ซื้อหาทางบิดเบี้ยวโกงตลอดจนมีการทุจริตต่างๆเช่นหาทางลัดในระบบเงื่อนไขนั้นและมีการรั่วไหลต่างๆก็ต้องมาเน้นการจัดตั้งระบบควบคุมแล้วทีนี้พอปัญหาเข้าไปครอบงำระบบควบคุมนั้นระบบควบคุมก็ยิ่งต้องจัดให้คุมกันซ้อนขึ้นไปขึ้นไปและหลายชั้นและตันหาก็พาพวกกิเลส ช, ชุดตัวปัน่น มาก่อความวุ่นวายกันครบทั้งชุดในที่สุดคุมกันไปคุมกันมาตันหาก็พาไปถึงอบายได้ผลอย่างที่คนไทยเคยอ่านโครงโลกอนิจที่ว่าบาสิ้นเสือตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ระบบเงื่อนไขมาทําลายหรือสยบฉันทะแต่ต้องไว้ทันมีความฉลาดที่จะจัดให้ระบบเงื่อนไขนั้นมาหนุนฉันทะ ที่จะขับเคลื่อนกระบวนการของธรรมชาติไปให้ได้ในยุคปัจจุบันที่เรามีระบบเงื่อนไขของตันหาเป็นใหญ่อยู่นี้การที่ความเจริญงอกงามในทางที่ดียังพอมีพอเป็นไปได้ก็เพราะยังพอมีพวกฉันทะาแอบอาศัยแฝงตัตอยู่ในระบบนี้บ้างสำหรับโลกมนุษย์นี้เอาแค่ว่าอย่าเพลินประมาทปล่อยให้ระบบตันหาขึ้นมาเป็นกระแสใหญ่ จนพวกฉันทะอยู่ไม่ได้ต้องหลบลี้ค่อยๆเลือนหายไปหมดแต่ต้องให้ระบบฉันทะเป็นหลักเป็นแกนไว้ถึงพวกตันหาจะทำผิดบ้างก็ยังคงพอมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งนี้จะเอาอย่างใจเราไม่ได้ต้องยอมรับรู้อยู่กับความจริงว่าระบบเงื่อนไขนี่หละที่พาโลกขับเคลื่อนไปจะทำอย่างไรได้ ในเมื่อนาเวลาหนึ่งหนึ่งคนอยู่ในระดับการพัฒนาที่ไม่เท่ากันและมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในระดับตันหาข้อสำคัญอยู่ที่ว่าผู้จัดการระบบเงื่อนไขต้องเป็นคนแบบชัน tha และจัดการระบบเงื่อนไขนั้นให้ชัน t ะมีช่องทางเข้าไปเป็นใหญ่กับทางให้มาตรการเด็ดขาดอยู่ที่ความไม่ประมาท ในการจัดให้คนได้พัฒนาตนของเขาได้พูดมาพอเป็นตัวอย่างในเรื่องของความอยากความต้องการนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่มากเราไม่ค่อยจะจับกันที่จุดนี้จึงต้องย้าไว้ต้องพูดกันให้ชัดอย่าปเลี่ยงที่จะพูดถึงมันต้องให้รู้ทั้งความอยากฝ่ายกุศลและความอยากฝ่ายอากุศลต้องแยกได้ รู้ความแตกต่างระหว่างความอยากความต้องการสองประเภทนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งพอรู้เข้าใจแล้วจะแก้ปัญหาอะไรก็ถูกจุดได้ง่ายและจะก้าวไปในการพัฒนาความสุขด้วยความมั่นใจเป็นอย่างดี